ก็อา จ, จต้องเสียเวลาเป็น10ปีเพื่อย่ำอยู่กับที่เห็นกายเป็นก้อนอะไรทึบๆและไม่อาจผ่านเข้าไปรู้สิ่งละเอียดกว่านั้นได้เลยหลักการทำความรู้สึกตัวตามสูตรมีดังนี้ 1.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 ทำความรู้สึกตัวในการกินดื่มเคี้ยวและลิ้มการกินและการดื่มมาเกิดขึ้นในอิริยาบทนั่งและมีความเคลื่อนไหวปลีกย่อยมากมายเช่นกันตั้งแต่อ้าปากผุบ ป, ปากขบเคี้ยวตลอดจนกลืนล่วงผ่านลำคอลงท้องไปการกลืนแต่ละครั้งก็มีรายละเอียดแตกต่างกันเช่น